แต่เราควรมีความตั้งใจนะครับตั้งใจสูงตั้งใจทําก็ถ้าหากว่าเราเอาไปต่อยอดของเราที่บ้านที่ทํางานก็จะสามารถที่จะทําให้ตัวตื่นรู้ที่เราเพียรทําตัวเนี้ยให้สมบูรณ์ได้โดยไม่ยากเพียงแต่ว่าความเข้าใจที่เราได้เนี่ยต้องเพิ่มโดยศรัทธานะคือมีศรัทธาแล้วก็ มีปัญญาปัญญาคือความเข้าใจที่ถูกต้องในสิ่งที่เราทำแต่ถ้าหากว่าเราไม่เข้าใจซะ ก, ก่อนเนี่ยทงเราไปทำมันมันก็ไม่ไม่สนุกแล้วก็ใช้ไม่เป็นเดี๋ยวเราก็ทิ้งแต่พอเราเข้าใจแล้วเราจะใช้เป็นแล้วก็เอาไปใช้เหมือนเราใช้เงินใช้ทองอการใช้เงินใช้ทองเรารใช้สนุกใช้เป็นแล้วก็ ก็ต้องหาเป็นด้วยหาเป็นใช่เป็นทีนี้ในการดูทีสวันเดีทครั้งนี้ทีเ่เกิดขึ้นเพราะอาศัยความาที่พระเรามีจิตใจกว้างขวางได้รับอนภักปฏิบัตทิทุกอย่างอาของพวกเร า, เาซึ่งก็โชคดีที่เรามีพระของเราที่มี <c oughs> อธิใจกว้างขวางสามารถรับเอาสิ่งดีๆมาถ่ายทอดให้โยมมาต่อให้โยมได้นะนะซึ่งก็ยิ่งกว่านั้นคนที่นําเรื่องนี้มาเสนอก็สําคัญไม่น้อยนะนั่นก็คือกลุ่มของกรรมการวัดเราเช่นคุณองค์ุณเล็กคุณมลวันนี้คุณมลไม่มาเลยมาได้ได้นําเอาสิ่งนี้มาให้เลือกดูเหมือนว่า ของเรื่องวิธีการเหมือนเราไปหาของดีๆมานาเสนอดูให้เลือกดูอันไหนเรารู้สึกรับได้ไม่ได้ทั้งสามคนนี้ก็เคยไปสแสวงหาเรื่องนี้มาก็เห็นว่าน่าจะเอามาทดลองกันดูสักวันหนึ่งก็รู้สึกว่าพวกเราตั้งใจทำกันได้ซึ่งก็อยากจะให้อ่า คุณอุ้มคุณมลคุณเล็กเนี่ยได้แชร์สักนิดหนึ่งว่าสิ่งที่เรานํามาเสนอเราแน่ใจได้ไงว่าเป็นสิ่งที่เราทําได้ถูกต้องเข้าใจแล้วก็จะเป็นประโยชน์ถ้าเราได้พิสูจน์สิ่งนี้แล้วหยังว่าดีหรือเป็นประโยชน์ในกรรมฐานวิธีแบบนี้ซึ่งบางทีอาจจะเหมือ น, นึกว่ามันคนละทางกับที่เราทํากันอยู่ซึ่งตรงนี้ถ้าหากว่าเราเข้าใจไม่ถูกอาจจะเกิดความอึดอัดขัดแย้ง แต่เราเข้าใจถูกแล้วมันก็เหมือนกันเสริมกันต่อยอดกันนะเหมือนเรื่องสร้างบ้านแล้วก็มาสร้างตั้งเสาสร้างเรือนมาต่อยอดมุงหลังคาต่อเติมให้บ้านนี้บ้านหลังนี้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นถ้าเราเข้าใจถูกมันจะเป็นอย่างนั้นนะนั่นเองก็ตอนเย็นนี้ก็อยากให้คุณอุม้มและคุณเล็กได้แชร์ให้ เพื่อนฟังว่าไปศึกษาเรื่องนี้มาแน่ใจได้ไงว่ามันถูกต้องแน่ใจยังได้ว่าเกิดประโยชน์อย่างไรเขาเชิญด้านหน้าดีไหมเขาเชิญด้านหน้าว่าเพื่อพวกเราที่อยู่ที่นี่จะมั่นใจหมายความว่าเรามาลงเรือลําเดียวกันเน่ยแตสิ่งที่นําเสนอเนี่ยไม่ไม่มีอะไรน่าเครือบแขลงสงสัยเพราะได้ทำมาก่อนอย่างไรอันนี้เราก็จะในฐานะเขาเป็นลูกหลานของเรา แต่ได้นำสิ่งที่สำคัญมาเสนอเนี่ย<ม>น่าไว้ใจแค่ไหน น, นะเอาคุณเล็กก่อนก็แล้วกันการนมัสการาร์มหาดิเศษชาเชิญธรรมและญาติธรรมทุกท่านนะคะใช้ใชตัวนี้ดีดคือดิฉันชื่อพัชรีวงจินศรีหรือเล็กนะคะเป็นพี่น้องฝาแฝดกับคุณโมลแล้วก็เป็นเพื่อนกับคุณอุ้ม คือดิฉันได้เริ่มปฏิบัติแนวนี้ก็เป็นเวลา 3-4 ปีแล้วโดยการแนะนำจากคุณอุ้มนะคะคื อ, อ, อตอนแรกเริ่มก็คือหาวิธีว่าทำยังไงที่จ ะ, จะเจริญสติคือบางครั้งเวลาเราฟังธรรมเนี่ยท่านบอกให้จเจริญสติจเจริญสติแต่เราไม่รู้ว่าจ ะ, จะเจริญสติยังไงะคะ่ะก็พอไปฝึกแนวนี้เนี่ยครั้งแรก3วันแรกก็ ยังไม่ค่อยรู้มากรู้แต่ว่าอืมทําแล้วรู้สึกดีหลังจากทํามันเกิดอาการเบาสบายหลังจากนั้นก็ไปทําอีกคือไปรีทรีตทีก็เจ็ดวันแปดวันทุกครั้งที่เราทําเนี่ยเราก็จะมีความรู้สึกตัวมากขึ้นอาการรู้สึกตัวเนนี้มันไม่ใช่แต่การยกมือสร้างจังหวะนะคะคือทุกครั้งที่เรายกเนี่ยเราจะให้ความรู้สึกทั่วเลยคือเรายกขึ้นครั้งหนึ่งเนี่ย มันเหมือนกับการสำรวจกายเราทั้งตัวทำอยู่บ่อยๆจิตเราก็จะไม่ส่งออกนอกคือถ้าเราจิตคิดอะไร ร, รู้สึกยังไงเนี่ยก็แสดงว่าเราเนี่ยไม่ได้มีความรู้สึกให้กับการยกมือหรือกับการรู้สึกตัวฉันเราก็กลับมาให้ความสำคัญกับตรงนี้สำหรับตัวดิฉันเองเนี่ยการปฏิบัติทุกครั้งเนี่ยหลังจากจบแล้วเนี่ยมันก็เหมือนกับ มันจะรู้สึกสบายแล้วก็มีสติมากขึ้นเหมือนกับต้นไม้ที่ได้น้ำแล้วรู้สึกสดชื่นออกไปรู้สึกสดชื่นแล้วก็พอเราไปเจอสิ่งแวดล้อมในชีวิตประจาวันเรามันก็แน่นอนคือเรายังมีสติไม่มั่นคงมันก็จะมีการแห้งเหี่ยวเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นเนี่ยฉันก็จะกลับมารีชีทใหม่ห้าวันเจดวันจนกว่ามันก็จะมีความรู้สึกนี้จนกระทั่ง คราวที่แล้วเมื่อเดือน2ที่ผ่านมาเนี่ยดิฉันได้ไปปฏิบัติเก็บอารมณ์นะคะที่拉斯เวกัสกับคุณแม่สมพรแล้วก็อาจารย์ชนะธรรมล้วก็คือเก็บไปครั้งนั้นรู้สึกได้ประโยชน์มากเพราะว่าหลังจากนั้นกลับมาเนี่ยไม่ว่าจะทำอะไรมันจะมีความรู้สึกตัวมากขึ้นกับการใช้ชีวิตประจำวันโดยเฉพาะอย่างครั้งนี้เนี่ยที่จัดรีทรีวันที่ถึงยบเเนี่ยเวลาเราทาครัวกับอุ้มเนี่ย เราจะถึงแม้ว่าจะไม่ได้นั่งปฏิบัติอย่างนี้แต่เราก็ทําครัวไปแล้วก็มีความรู้สึกตัวไปจะยกจะยืนจะนั่งเนี่ยมันจะรู้สึกตัวไปหมดซึ่งไอต้ตรงนี้มันจะทําให้เราสนุกกับการดูกายดูใจเราอะคะคือเราเห็นกายเราเจ็บเราเมื่อยเราเป็นอะไรแต่ใจเรามันไม่มันไม่รู้สึกเฮ้ยเหมือใช่ไหมทักมันมันไม่เป็นอย่างนั้นทำมันสนุกกับการดูการเห็นเห็นกายเห็นใจเราเนี่ยมันจะสลับกันไปอยู่างเงี้ยเราแล้วลมันจะสนุก แล้วก็เราจะเข้าใจชีวิตมากขึ้นเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของกฎตรรักมากขึ้นอะไรอย่างนี้นะคะซึ่งดิฉันอุ้มและม์ก็เลยเห็นว่าวิธีนี้เราน่าจะลองเอามาใช้กับญาติพี่น้องเราที่วัดป่าชิคาโกเพราะว่าพอตอนนี้ดิฉันปฏิบัติแล้วเนี่ยเวลาแบบเห็นใครที่แบบว่า สนใจเนี่ยเราก็อยากจะแนะนําแต่ว่าวิธีการแนะนําของเรานี่เราก็ยังไม่ได้เป็นต้นไม้ยืนต้นคือมันยังไม่ได้แข็งแรงเต็มที่ดิฉันเราก็เลยนิมนต์ท่านอาจารย์มาให้เสนอแนวทางการปฏิบัติเพื่อให้เป็นรูปแบบที่ดีซึ่งตัวดิฉันเองก็ยังคงมีความมุ่งหวังว่าสักวันหนึ่งดิฉันจ ะ, ะมีความเพียรมากขึ้น จ, นจนจากต้นไม้ล้มลุกเนี่ยเราจะกลายเป็นต้นไม้ยืนต้นเราจะสังเกตเห็นว่าต้นไม้ยืนต้นแล้วเนี่ยในชิคาโกเนี่ย ไม่ว่าฤดูไหนมันก็ยังคงมีชีวิตรอดของมันมันจะรู้จักปรับเปลี่ยนวิธีสลัดใบผลิตใบเพรชันเนี่ย้วดิฉันก็หวังว่าวันหนึ่งดิฉันจะเป็นต้นไม้ยืนต้นที่มีความเข้มแข็งแข็งแรงแล้วก็มีปัญญานะคะเพราะฉะนั้นก็ขอฝากให้ทุกท่านสร้างความเพียรแล้วก็มีสติสัพพัญญะเกิดสีนสมาธิและปัญญาทุกคนคะ่ะจ้า กับนรรสการหลวงพ่อดิเรกค่ะกับนรรมสการท่านอาจารย์ชาธรรมแล้วก็ญาติธรรมทุกท่านนะคะก็ชื่อนันที่รัดหรืออุ้มนะคะครั้งแรกได้เจอหลวงพ่อเพราะว่าคุณมาริสาแก่นิ ม, มนต์หลวงพ่อท่านมาก็ได้มีโอกาสคุยกับท่านคืออุ้มเป็นคนสนใจเรื่องการภาวนามานานนะคะแต่มาทำส่วนใหญ่ก็นั่งสมาธิแล้วก็ หลับมานั่งไปก็งงหลับแล้วก็มาพิจารณาตัวเองว่ามันทาํามาตั้งนานมันมันไม่ได้อะไรเลย <c oughs> คือกิเลสเราความรู้สึกอะไรเราเนี่ยมันยังเหมือนเดิมแล้วบางครั้งก็ยิ่งแย่เข้าไปอีกควา ม, มโมโหหรืออะไรเงี้ยมันจะมีเกิดขึ้นในใจความเกลียดริชาริษยาอะไรี้มันจะมีเกิดขึ้นในใ จ, ก, น จ, ก, นในใจก็พิจารณาตัวเองว้าเราทํามาทําไมทําไมเราถึงเป็นอย่างนี้จนกระทั่งมาเจอหลวงพ่อก็เลยลองวิธีนี้อย่างแรกที่รู้สึกก็คือว่าดีใจมากภาวนาแล้วย ไ, ไม่หลับ คือแบบมีจังหวะที่ไม่หลับแค่นั้นนะคะรู้สึกว่าเอ้ยวิธีนี้เนี่ยมันน่าจะมีอะไรดีสําหรับตัวเราเพราะว่าพ อ, พอนั่งหลับตาเนี่ยบางทีมันก็มีความสุขนะคะไม่หลับแต่ว่ามันมีความสุขว่ามันมันไม่มีอะไรพัฒนาในใจพอมาทําวิธีนี้เริ่มแรกก็รู้สึกว่าเออมีจังหวะหนึ่งมีช่วงหนึ่งวันนึงอะไรเงี้ยที่รู้สึกมันตื่นแบบมันไม่หลับหลังจากนั้นก็เลยภาวนาเรื่อยๆมาแล้วก็ หลังๆเนี่ยคือไปไปเข้าคอร์สแล้วก็ได้เรียนรู้แต่ละคอร์สเนี่ยเราก็จะได้มีความเหมือนกับความเข้าใจเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพราะ แ, แรกไปก็ไม่ค่อยรู้ของข้อจะเทศรูปน้ำอะไรเงี้ยก็ไม่ค่อยรู้เรื่องแต่ก็อาศัยว่าคือบอกว่ า, ค, า, วาคือทุนน้อยนะก็อาศัยเพาไปบ่อยๆก็ค่อยสะสมเทเลนิกเทือน้อยแล้วก็หลังๆเนี่ยก็มาทําเองที่บ้านด้วยคือพยายามจัดตารางว่า คือเราจะต้องทุ่มเทตรงนี้นะถ้าเราสนใจถ้ า, าต้องการปรับปรุงตัวเองเนี่ยตั้งใจทำตอนเช้าอย่างเงี้ยเตตารางแล้วสักครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงหนึ่งเนี่ยพยายามทำให้ได้เกือบทุกวันจังหวะช่วงนี้สำหรับตัวอุ้มเองคิดว่ามันเห็นผลเห็นผลมากพอสมควรเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของจิตใจตัวเองเห็นความรู้สึกมันตื่นรู้ระเบิกบานมากเป็ น, เ ป, น, เ, ปนเป็นจุดหนึ่งซึ่ ง, งมีความคิดว่าอยากจะ อยากจะให้ทุกคนได้สัมผัสหรือว่ารับแบบว่าเบื่อเผื่อแผ่ตรงตรงนี้ค่ะแล้วก็พอหลวงพ่อมาเมื่อคราวที่แล้วคุณติ๋มวัชราพรนะนะแกนิมนต์หลวงพ่อไว้แล้วพอดีท่านมีติดธุระฉุกเฉินะนะคะต้องกลับเมืองไทยก็ได้คุยกับพี่มนต์พี่เล็กคุยกับแม่สมพรคุยกับ พี่มาิสาปรึกษาว่าเอ๊ะเราจะทําต่อไหมเพราะตัวเองก็ไม่เคยทําแล้วก็ฟังดูแล้วมันก็เป็นงานค่อนข้างใหญ่บอกว่าไม่เคยทําเราก็กลัวนะคะแต่ปรึกษาทุกท่านทุกคนก็เห็นด้วยเออเอาเถอะเราตอลองสู้เต็มที่แล้วก็เลยจัดงานที่วัดธรรมร า, ามขึ้นเกิดขึ้นมาเป็นครั้งแรกนะคะก็คิดว่าประสบความสําเร็จกับการที่มีน้องๆพี่ๆได้เรียนรู้แล้วก็เข้าใจจากวิธีการนี้เพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็ ก็หวังเป็นอย่างยิ่งคือหวังแค่ให้ว่ า, าทุกคนเรียนรู้แล้วไปทำแล้วไปใช้สิ่งที่สําคัญคือการนําไปใช้คือเราฝึกอย่างนี้เนี่ยเราก็ได้เรียนรู้ไประดับนึ่งพอเราไปไปทําทุกวันทุกวันเนี่ยตัวสติเนี่ยมันเหมือนอจะเรียกว่าเป็นเหมือนต้นไม้ที่เราใส่ปุ๋ยให้มันงอกงามทุกวันทุกวันแต่ถ้าเราทิ้งคือทําวันนี้แล้วเราปล่อยมันไปเลยเนี่ย มันก็หงงแห้งเหี่ยวนะคะพราอุ้มเป็นมาก่อนเข้าคอร์สกับหลวงพ่อสองสมทีแล้ตอนไปทําก็ทำํำทำค่ะพระกลับมาบ้านแล้วก็อนวดเอาไว้ก่อนมันมีอย่างอื่นต้องทําอยู่เรื่อยเลยค่ะเดี๋ยวก็งานแล้วตอนมีช่วงเนี่อุ้มทํางานเยอะค่ะก็เอาไว้ก่อนไว้ตลอดแล้วรู้สึกเลยว่ามันมันไม่ได้มีความพัฒนาแต่ถ้าเราให้ความสัมพันธ์กับมันคือให้ความสัมพันธ์ก็เรียกว่า ให้สิ่งนี้เป็นสิ่งหนึ่งในชีวิตของเราได้เลยเหมือนเรากินข้าวเราต้องกินทุกเช้ากลางวันเย็นเนี่ยทําไมเราไม่กินสิ่งนี้ให้เป็นอาหารใจให้กับเราถ้าเราทําสิ่งนี้กับใจเราได้ทุกวันถึงแม้วันละสัก15บห้านาทีครึ่งชั่วโมงแต่ขอให้ทําตรงเนี้ ม, มีความสุขว่ามันเป็นความสําคัญกับตัวเองก็เลยขอขอแชร์นะคะก็คิดว่าหวังว่าสิ่งที่หลวงพ่อสอนหรือว่าถึงพ่อให้กับทุกคนเนี่ยจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยแล้วก็ขอให้ทุกคนเนี่ย ปรูกต้นไม้สติเจริญในใจแล้วก็แจ้งในหนทางแห่งมรรคผลที่ผ่านทุกคนทุกท่านนะคะการาศรัพรพระอาจารย์ดิเลกพระอาจารย์ชนันทธรรมแล้วก็คุณแม่สมพรนะคะแล้วก็ญาติธรรมทุกทุกท่านก่อนอื่นก็ต้องขอบอกว่าทุกคนในที่นี้วันนี้มีบุญมากนะคะที่สละเวลาให้เวลากับตัวเอง ที่มีค่ามาฝึกปฏิบัติจะได้มากได้น้อยเนี่ยมันไม่เป็นไรแต่เราได้เริ่มต้นที่จะทําจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรนะคะมันมันอาศัยเวลามัน <c oughs> อย่างที่เล็กบอกอุ้มบอกเลยคะ่ะว่าเราทํากันครั้งแรกก็ไม่รู้หรอกยกกันอย่างเดียวทําไปก็ไม่เข้าใจอ่าคิดว่าเออพอทําคือการเก็บอารมณ์เนี่ย มันมีความหมายที่ว่าจริงอยู่เราทําแค่วันเดียวเนี่ยมันอาจจะยังไม่เห็นผลทีเดียวแต่การที่เราคําว่าเก็บอารมณ์นี่หมายความว่าเราจะพยายามทํากันเจ็ดวันสิบวันโดยที่ไม่พูดอะไรพอเรายิ่งปิดวาจาไม่พูดเราตั้งใจทํำนี่นะคะมันทําให้เราเหมือนอยู่กับตัวเราเองมากขึ้นพอเราอยู่กับตัวเราเองมากขึ้นเราก็จะเห็นความจริงว่าเออเราง่วงนะ หันไปทางอื่นคนอื่นเขาก็ง่วงเหมือนเราเหมือนกันนี้เขาสับประงกเราก็สับประงกเหมือนกันแต่ทีนี้ทํายังไงที่จะให้เราผ่านนิวรนเหล่านี้ได้มันก็แล้วแต่เทคนิคของแต่ละคนซึ่งถ้าวันนี้ใครยังไม่ผ่านก็ไม่เป็นไรลองลองตั้งใจฝึกทําเองที่บ้านถ้ายังไม่ได้ผลก็ทำไปเรื่อยๆรอปีหน้าหลวงพ่อกลับมาก็มาเข้าคอร์สห้าวันสิบวันอันนี้รู้เรื่องแน่ว่าผ่านนิวรนได้สําหรับตัวมนเองเนี่ยก็ เริ่มต้นจากที่ว่าเล็กเข า, เาไปปฏิบัติมาก่อนแล้วเขาก็มาเล่าให้ฟังแล้วก็ก็หนีหลวงพ่อมาตลอดคือรู้สึกว่าไม่ใช่ทางเราดั่งหลับตามาตลอดแล้วก็เคยไปเข้าคอสที่อื่นที่โกเองก้าก็ได้ผลดีเพราะว่าตั้งใจทำมากก็ก็ได้ผลหนึ่งนัดระดับหนึ่งที่คิดว่าเออพอใจแต่ทีนี้เนี่ยพอเล็กเขาผักดันมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เออไปลองไปลองแล้ว ก็ดีนะจุดหนึ่งแต่ก็ยังไม่ได้เข้าใจมากก็ต้องกลับไปอีกรอบสองรอบสามรอบสี่แล้วก็สุดท้ายแล้วก็ได้มีโอกาสา ร, ร่วมจัดกับอุ้มเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาแล้วก็ว่าไปแล้วจริงๆนี่ก็เป็นสิ่งมหัศจรรย์นะคะที่คนมากันได้เยอะขนาดนี้วันนี้ไปทํางานกลับมาเห็นรถเยอะเนี่ยรู้สึกโอ้โหมันมหัศจรรย์จริงๆสําหรับชาววัดป่าชิคาโกว่าคนมาเยอะขนาดนี้ก็อยากจะบอกว่าคือ อะไรที่เราตั้งใจทำเนี่ยน ะ, ะมันมันต้องเห็นผลเราอาจจะไม่รู้ตัวแต่ในยามที่เรารู้ตัวเนี่ยแล้วสุกเออที่เราทํามาเนี่ยมันเอามาใช้ตอนเราคิดว่าเราจะตายเพราะว่ า, อาตอนสักสองเดือนที่แล้วนะคะก็เป็นไข้ตัวร้อนแล้วก็ปวดท้องก็บอกไปหาหมอทีนี้พอไปปุ๊บหมอเพราะว่าแคสสแกนทำอะไรเสร็จเขาก็บอกว่าเอออยู่กับบ้านไม่ได้แล้วนะ อยู่ต้องพักรักษาตัวที่นี่หมอก็น่าเศร้าเข้ามาแล้วก็ถามว่าเป็นอะไรหมอบอกดูในแผ่นฟิล์มแล้วอะ่ะอยู่มีก้อนเนื้อที่ลาไส้อยู่ต้องนิดการรักษาอาจจะต้องมีการผ่าตัดแล้วก็ต้องมีการรักษาหลังจากนั้นก็เลยถามหมออยู่บอกมาเลยฉันเป็นมะเร็งเหรอหมอพยักหน้าว่า mosaicly คือค่อนข้างจะใช่แต่ว่าณจุดนั้นเนี่ย สมมติถ้าเราไม่ได้ฝึกปฏิบัติทรรมหรือทําสติมาเจริญสติมานี่เราก็อาจจะรู้สึกอึงอ้งๆแล้วก็เฮ้ยเราจะเป็นมะเร็งอาจจะคิดต่อไปอีกเรื่อยๆว่าเราจะตายไหมอะไรแต่นั้นจุดนั้นตอนนั้นมันรู้สึกว่าทุกอย่างมันเออพอมะเร็งปุ๊บเออมันก็แค่ชื่อแล้วไงต่อละมะเร็งมันก็เหมือนเป็นไข่ยอย่างหนึง่งปวดเลาะปวดหัวตัวร้อนมันก็เป็นชื่ออย่างหนึง่งเราเราไม่ได้ให้ความสําคัญกับมเราเราแค่ฟัง เสีก็ถามหมอแล้วก็เออหมอแล้วยังไงอะ่ะฉันต้องรักษายังไงแล้วมันใหญ่แค่ไหนฉันจะต้องทำคีโมกี่ครั้งแล้วฉันจะต้องยัถามหมอจนหมอบอกว่าเออเอ อ, อันนี้อยู่ยังไม่ต้องถามเยอะนะเดี๋ยวดูรอหมอที่เขาเฉพาะทางนะเขาจะมาบอกอยู่แล้วหมอเข้าไปคอมพิวเตอร์พยายามหาว่าไอ้ก้อนเนื้อมันใหญ่แค่ไหนหมอเขาบอกเออฉันบอกไม่ได้คนอ่านฟิล์มเขาไม่ได้บอกแต่เอาเป็นว่าอยู่กับบ้านไม่ได้แล้วกัน คือในระหว่างที่อยู่โรงพยาบาล3วันเนี่ยก็เขาก็ไม่ได้ให้ทานอะไรเพราะเขาเตรียมตัวผ่าตัดเต็มที่แล้วก็หมอก็เดินเงินเข้ามาหลายหายคนก็มาทดสอบอารมณ์เราหมอแต่ละคนเข้ามาเขาก็จะมาถามว่าเอ อ, อยูถ้าอยู่ผ่าตัดเนี่ยนะเกิดหัวใจยูล้มเหลวอะ่ะยูจะให้ชั้นปุกยูฟื้นขึ้นมาไหมก็ถามว่าเออถ้าชันหัวใจล้มเหลวเนี่ยฉันตื่นขึ้นมาชันกลายเป็นผักไหมถ้าฉันกลายเป็นผักเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้อ ง, ไ ม, อ ง, ไ, มองไม่ต้องทําอะไรเลย บอเอางี้และกันถ้าฉันเห็นว่าอยู่จะไม่เป็นผักฉันจะจะให้ฉันปลุกอยู่ขึ้นมาตื่นหัวใจปั๊มหัวใจไหมบอกเอาเขาบอกอะถ้าเอาอยู่เอาแบบไหนมีแบบฉีดยามีแบบเอ่อเอ่อปั๊มหัวใจมีแบบว่าใช้ไฟฟ้าก็เลยถามเขาว่าอัะไรที่มันไม่เจ็บก็เอาอแบบนั้นแล้วกันเขาอันแต่ว่ามันก็เป็นอะไรที่รู้สึกว่าเออณจุดนี้เหมือนกับว่าเขามาถามว่าเราอยากตายยังไงพอเขาไปแล้วแล้วก็ทําให้เรามานั่งนอนนึกว่าเออถ้าเราต้องตายเนี่ย สติเราอยู่ตรงไหนเราจะทําอะไรกับมันแต่ทีนี้ณจุดแรกเนี่ยพอมานั่งคิดย้อนถึงตอนที่หมอเขาบอกว่าเราจะเป็นมะเร็งหรือหมออีกสองสามคนเดินเข้ามาเขาก็คอนเฟิร์มหมดในถามถามว่าไอที่ฝึกมามันใช้ได้ผลไหมใช้ได้ผลเพราะไม่เราะสึกว่าเราไม่ได้เออตื่นตระหนกหรือกลัวกับมันเรารู้สึกว่าเออเรานิ่งแล้วก็พอเรานิ่งแล้วเนี่ยมันจะเห็นทางออก เราต้องถามอะไรเราต้องเตรียมตัวไงเราต้องสั่งลาแม่ไงสั่งล้านะ้องไงสั่งลาที่ออฟฟิศยังไงเสร็จเตรียมพร้อมหมดบอกแม่ไม่ต้องห่วงกันนะถ้าหนูไปก่อนแม่ก็ทําใจนะอะไรคือต้องคือต้องคุยกันเลยแล้วก็ต้องบอกน้องสาวว่าฉันไม่อยู่เธอจะอยู่ได้ไหมนะอะไรอย่างเงี้ยคือเราเราเราเตรียมตัวแล้วว่าเราอาจจะไม่ตายแต่ว่าของอย่างนี้มันไม่รู้หรือบางทีเราอาจจะผ่าตัดแล้วไม่ฟื้นหรือผ่าตัดแล้วเราไม่เหมือนเดิมไม่มีแรงที่จะคุยไม่มีสติสัพันย์สัพันชัญ ก็เลยคิดว่าเราพูดไว้ก่อนดีกว่าเพราะฉะนั้นพอเราทอย่างนี้แล้วเราก็สบายใจว่าเออโอเคละแล้วระหว่างอยู่โรงพยาบาลก็จะนอนยกมือยกได้ข้างเดียวก็ยกพยายามฝึกเพราะว่าบางครั้งเนี่ยมันมีอาการปวดท้องกินไม่ได้หาสาเหตุไม่เจอหรือหน้ามืดล้มบูฟเนี่ยเราก็จะเริ่มเราเฮ้ยเราจะเอาไงกับเราเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างเดียวคือยก ม, อมือมีสติไว้ตลอดเพราะว่าถ้าเราอารมณ์แปรปรวนไปกับ อาการที่เกิดขึ้นในร่างกายเนี่ยเราจะคิดไม่ออกเราจะคิดเลยเธอคิดคิ ด, ค, ดคิดไปด้ว่อยทีนี้พอเราดึงเรากลับมาเราเอออะไรจะเกิดก็เกิดแล้วก็ถามพระอาจารย์รูปหนึ่งที่เมืองไทยท่านก็เป็นอาจารย์อย่างรูปหนึ่งท่านก็มีเมตตามากท่านก็บอกเออมันจะเป็นมะเร็งก็ให้มันเป็นไปสิไปกลัวอะไรกับมันถ้าเราจะต้องตายก็ต้องถึงเวลามันก็ต้องปล่อยวาง ไปว่างไปเลยไม่ต้องกลัวอยากจะไปก็ไปเรากเออหลวงพ่อส่งเสริมดีนะหลวงพ่อบอกว่าเออหลวงปู่ท่านยังเข้าโรงพยาบาลเลยแล้วทําไมเจ้าจะเข้าไม่ได้เออก็ใช่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ก็อยากให้ทุกคนมีกําลังใจนะคะว่าฝึกมากฝึกน้อยให้ลองฝึกดูแล้วในยามที่มันต้องใช้เนี่ยมันจะรู้สึกว่าเอ้ยทําไมเรามีสติอะ่ะ เราเกิดเลยขึ้นทำไมเราคิดได้อะอันนั้นก็คือสิ่งที่รู้สึกว่าเออเราเราทำมานี้มันมันมันเห็นผลมันได้แล้วก็ปกติแล้วเป็นคนที่ทำงานแล้วก็เรียบเรียงงานงานจะเยอะมากทุกอย่างเข้ามานี่ประดังเข้ามาเยอะแต่นึกจากคิดว่าฝึกมาอย่างเงี้ยมันทำให้เรานิ่งนิ่งแล้วก็ นิ่งแล้วก็ทําอย่างที่2 อ, อย่างที่3ามอย่างที่สีอย่างนี้ไม่เข้ายากเกินไปยังไม่อยากทําเก็บเข้าลิ้นชักเอาเอานี้ใหม่มันเหมือนเอาลิ้นชักเก็บเข้าเก็บออกแต่เราทําอย่างมีสติทําอย่างเรารู้ว่าเราทำอย่างไงแต่นั่นเกิดจากการที่มันเหมือนเรายกมืออย่างนี้ค่ะมันมันเป็นไปเองโดยที่พอเกิดอะไรขึ้นเราจะคิดของเราอัตโนมัติมันไปของมันเองก็เลยรู้สึกว่าเออเราเราไม่ร้อนหลนนะในการทํางานเราไปได้เรื่อยๆทั้งวันไม่เหนื่อย น้องสาวเขาจะเป็นห่วงบอกว่าเอ้ยเธอใช้ความคิดมากไปแล้วงานเธอทั้งวันเนี่ยบอกเฮ้ยฉันไม่เหนื่อยนะฉันทำแล้วฉันมีความสุขทําแล้วรู้สึกเออรู้สึกมันทําไปได้เรื่อยมีความสุขแต่นะมันจะมีความสุขไงก็ตามร่างกายสังขารแล้ววงทีก็ไม่หวตกเยน็นมันก็เพลียมันก็ต้องเติมน้ํามันต้องกินข้าวกินน้ํานะคะก็เออก็อยากจะบอกว่ารู้สึกดีใจนะคะที่ที่ คุณแม่เองก็มาวันนี้ด้วยแล้วก็คุณแม่เองก็หลีกเลี่ยงมาทั้งอาทิตย์แล้วชวนไปวัดธรรมาราเขาบอกไม่ไปอย่างงูอย่างงี้อายก็ไม่เป็นแต่วันนี้คุณแม่ตื่นเช้าเองเขาบอกอุ้ยไปทันไหมเนี่ยไปทันเบ้านเนี่ยเขาจะเริ่มเันกี่โมงบอกเออรู้สึกเป็นเป็นสิ่งที่ดีที่เริ่มต้นเพราะว่ารู้สึกว่าอันวิธีนี้เนี่ยมันมันเป็นใครก็ได้อ่ะที่จะปฏิบตัติจะเป็นเด็ก เป็นผู้ใหญ่เป็นใครเราเราไม่ต้องหลับตาเรานั่งทําอย่างเงี้ยนั่งดูทีวีวรู้บ้างไม่รู้บ้างนั่งทําไปเนี่ยมันอย่างน้อยสมมติทําไปร้อยครั้งเรารู้ตัวสักสองครั้งก็ยังดีกว่าไม่รู้ใช่ไหมคะมันก็ค่อยๆเก็บสะสมไปเหมือนอย่างที่หลวงพ่อพูดเสมอว่าทุกครั้งที่ไปปฏิบัติการหลวงพ่อหลวงพ่อจะบอกเป็นไงปฏิบัติหรือเปล่าเราก็บอกเปล่าคะ่ะเสร็จแล้วพอจบคอสมวพ่อก็ถามว่าแล้วเป็นไงล่ะ มันมาต่อกันได้ไหมมันนั่งนึกเออก็ต่อกันได้นะเพราะว่าทุกครั้งที่เราทําเราเหมือนเราจําได้ว่าเราเคยเดินทางมาทางนี้แล้วพอเรากลับมาทางนี้อีกเนี่ยเราก็จะเดินไปทางต่อเราจะขึ้นเขาเราไปทางนี้เรากลับมาทางนี้เราขึ้นมาสองสเต็ปละเราจะผ่านไปทางนี้อีกเราจะตามมันไปอีกมันก็จะได้ทุกครั้งเพียงแต่ถ้าเราไม่ขยันมันก็ได้ช้าหน่อยถ้าถ้าเรามากมาก ก็ทำมากยกมันทั้งวันมักน้อยก็ทำน้อยน้อยไม่มักอะไรเลยไม่ต้องทำอะไรเลยค่ะ <c oughs> อันนี้เป็นทางเลือกของทุกคนนะคะกอ็อ่ก็รู้ว่าวันนี้มีบางคนเนี่ยยอมพูดปดนะคะเพื่อเพื่อให้ได้มาปฏิบัติโทรไปลา ง, งานมาบอกว่าป่วยแต่มาปฏิบัติอันนี้ถือว่าไม่ผิด <c oughs> ก็หวังว่านะคะว่าชาวชิคาโกเราจะมีกลุ่มที่รวมตัวกันอาจจะมีสักวันหนึ่งเราคิดว่าเออวันนี้เบื่อไม่อยากนั่งหลับตาเรามายกมือกันดีกว่าเดี๋ยวจะจัดให้มาสักวันหนึ่งเราทําอย่างที่หลวงพ่อทําอย่างเงี้ยได้ข่าวว่าตอนกลางวันเนี่ยทานข้าวคนเงียบมากพูดกันไม่เป็นไม่รู้เป็นอะไรเพราะฉะนั้นก็ก็รู้สพูดสึงก็เป็นสิ่งดีคือแล้วอาจจะ ไม่ว่าพี่ป้านะอาใครสนใจสักวันหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวเราให้อุ้มเขานำทีมเพราะอุ้มตอนนี้เขาแข็งแรงที่สุดก็อาจจะบอกว่าเออเรานัดกันมาแต่เช้าจุดเย็นแต่เราต้องสัจจะกันว่ามาแปดโมงช้าถึงห้าโมงเย็นเราจะทำอะไรกันบ้างทำตามตารางหลวงพ่อแล้วก็มาทำกันจริงจรจังๆถึงเวลาทานข้าวก็ทานอย่างเงียบๆคือทำร่วมกันเนี่ยมันดี คือมันรู้สึกว่าเออเขาทำได้นะนาตาทำได้ฉันยังเด็กกว่าทำไมฉันทำไม่ได้ป้านุ่นแปดสิบสองแล้วยังนั่งทำยกไม่ไม่หยุดเลยฉันก็ต้องทำได้เหมือนกันมันก็จะช่วยกระตุ้นกันนะคะแล้วพอเราแข็งแรงแล้วใครอยากจะทำมุมไหนก็ไปทำอยากจะแอ บ, บทำไงมันก็ได้ทั้งนั้นนะคะอันก็คอค่ะ ย, ยังไม่จบแลวรอดตายมาได้ังไอ๋อลอดตายมาได้ยังไง <laughs> อ่ะรอดตายก็ ว่าไปถ้าจะเรื่องของบุญมันก็คือบุญอย่างหนึ่งเพราะว่าวันที่หมอทางด้านท้องค่ะหมอจีไอเขามาตรวจเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยต้องเป็นหมอฝรั่งหมอฝรั่งเขาตามตัวก็ไม่มาเขาก็ตามหมอฝรั่งวันที่สองก็ไม่มาอกีกหมอันที่สามเดินเข้ามาเป็นคนไทย่ะชื่อคุณหมอวันชัยแสงจันทร์ซึ่งอันนี้ก็ต้องบอกว่าโหบุญเหลือหลายที่ อ, อวันนั้นพี่อุ้ยยังบอกบอกว่าเอ้ยเนี่ยฉันมีหมอดีนะเขาเคยผ่าตัดพ่อฉันสิบห้าปีที่แล้วแต่ไม่รู้เขายังอยู่หรือเปล่าเขาอาจจ ะ, กะเกษียณไปแล้วเขาพูดจบปุ๊บหมอเดินเข้ามาตอนนั้นอะพี่อุ้ยตกกระจายบอกคุณหมอมาทําอะไรคะแล้วคุณหมอมาตรวจแล้วคุณหมอก็บอกว่าเกสิบเอร์ซ็นไม่ใช่มะเร็งกลับไปบ้านนอนพักซะอีกสามอาทิตย์ค่อยกลับมาเจอกันเอายานี้ไปกินแล้วก็ จะดีขึ้นช่วงนี้ทําอะไรไม่ได้จะส่องกล้องจะผ่าตัดอันตรายทั้งนั้นให้กลับไปแต่ทนี้พอเราก็ดีใจว่าเราได้กลับแล้วไม่อยากอยู่โรงพยาบาลเพราะกินอะไรก็ไม่ได้น้ําฝสกจก็ยังไม่ให้กินเลยแต่นี้พอกลับไปถึงบ้านปุ๊บเนี่ยเนื่องจากเราไม่ได้กินอะไรมาสองวันกว่ากับ3วันเนี่ยร่างกายมันไม่มีสารอาหารอะไรเลยเพราะเขาต้องล้างท้องแล้วหมดไอตอนอยู่โรงพยาบาลมันมีน้ําเกลือมันก็ยังรู้สึก มีสติมีกําลังมีอะไรดีแต่พอกลับบ้านเดินได้สองก้าวเจอคุณแม่เขาบอกว่าหนูเข้านอนก่อนแล้วลก็เดินตัวเอียงเพราะมันมันแบบมันไม่ไหวอ่ะแล้วพอเราพูดไม่กี่คํานี่ก็แบบหมดแรงหน้ามืดกลับมาถึงบ้านก็อุ้มก่อนเลยเขาก็มาเขาว่าเอากินน้ําผลไม้ก่อนกินน้ำปั่นเขาก็ปั่นน้ําปั่นเอาน้นําผักอะค่ะตามสูตรหมอเขียวให้ทานเพราะเรายัางท้องว่างต้องค่อยๆทานพอทานไปปุ๊บสักพักหนึ่ง หน้ามืดแบบโอ้ยแบบไม่ไหวแล้วฉส่งฉันกลับโรงพยาบาลด่วนอุ้มขาบอกเนี่ยมันเย็นเกินไปอาคุณแม่ขอน้ำข้าต้มหน่อยน้ำร้อนๆมาทานก็ทานเข้าไปพอทานเข้าไปปุ๊บมันก็เริ่มกลับดีขึ้นนั่นมันคือสูตรของหมอเขียวซึ่งหมอเขียวจะมาเดือนกันยาวันที่ 7- จ็ดถึงสินะคะคือหมอเขียวนี่เขาจะให้ให้ทานมีสูตรร้อนสูตรเย็นแต่นี้เราต้องศึกษาว่าอะไรกินแล้วร้อนอะไรกินแล้วเย็นซึ่งอุ้มเนี่ย ก็อีกหนึ่งวิชาที่เขาเก่งเขาก็จะศึกษามาเยอะเขาก็จะบอกได้ว่าเออผักตัวนี้นะใบบัวบกน้านําใบหญ้นนานางมาผสมกันแต่ก็โชคดีที่วันนั้นมีเขาอยู่ที่บ้านเพราะว่าถ้าไม่มีเนี่ยคงต้องเข้าโรงพยาบาลเพราะเราไม่รู้ว่านั่นคืออาการเย็นจากการที่เราทานน้ําผักเข้าไปแล้วมันเย็นเกินไปกับร่างกายเราทําให้เรามีอาการหน้ามืด แต่พอทานข้าต้มร้อนๆแค่น้ําซุปวันนั้นคุณแม่ป้อนหวานหวาถึงแม้มันจะจืดเนี่ยกินเข้าไปแล้วเนี่ยมันรู้สึกเออมันมันปรับสภาพร่างกายเราก็เลยเกิดความรู้สึกว่าเออเราน่าศึกษาหมอเขียวนะทําไมเขาถึงรู้ดีอย่างเงี้ยเพราะปกติเราไม่เคยสังเกตอาการร้อนเย็นในร่างกายจากนกระทั่งวันนั้นเราไม่มีอะไรเลยในตัวเราเนี่ยแล้วมันกินอะไรเข้าไปเนี่ยมันเซนสิทีมันมันเห็นอาการอย่างชัดเจนล้วเออทําให้เรา ได้เห็นเห็นอาการต่างๆเนี่ยก็คือการปฏิบัติอีกค่ะใช่ไหมคะเพระนาะฉะนั้นอันนี้ที่เรายกมือเนี่ยมันมันใช้ได้ผลอีกทีนี้ระหว่างสามอาทิตย์ที่รอหมอสองกล้องเนี่ยมันก็จะมีอาการต่างๆร้อนเย็นหรือสมัยร้อนเย็นหรือเกิดจากอะไรต่างๆเนี่ยก็ให้เราสังเกตตลอดเวลาเพราะก่อนออกโรงพยาบาลเนี่ย หมอผ่าตัดเขาก็ขู่ให้อีกแหละจริงๆเขาให้ให้คติเอาไว้ว่าอยู่ถ้าอยู่นะกินข้าวไม่ได้อาเจียนให้กลับมาโรงพยาบาลทายมีเลือดให้กลับมาโรงพยาบาลแล้วก็ถ้าเกิดมีอาการที่น้อนไม่ได้อะ้รให้กลับมาโรงพยาบาลแสดงว่ามะเร็งอยู่ใกล้กำเริบซึ่ง <c oughs> จริง ๆ, ๆแล้วมันไม่ใช่มันเป็นอาการของยาที่เราทานเข้าไปแอนตี้เบลติกสองตัวที่ทานเนี่ยมันแรงมากแล้วมันมันแรงไม่เหมาะกับ คนเอเชียอย่างเราเพราะว่าตอนหลังก็เจอคุณโทรพี่กวีก็ช่วยตามคุณหมอวันชัยให้คุณหมอวันชัยก็กราณาโทรมาบอกที่บา้านมาคุยที่บา้านอาการเป็นไงท้องเดินไหมเดินค่ะดีนอนไม่ได้เหรอดีอ้าวกินไม่ได้เหรอดีก็คือสรุปหมอบอกว่ามันคืออาการของยาให้ลดยาลงเพราะว่าเราเป็นคนเอเชียตัวเล็กก็ลดยาลงหนึ่งเม็ด ทำไมดีให้ลดลงมีวิธีอะไรอีกแต่ให้เมคชัวร์ว่าเราไม่ปวดท้องแล้วเพราะยาหม อ, อเขาต้องให้แรงเพื่อฆ่าเชื้อไว้ก่อนแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยคุณแม่สมพรก็กรนณาโทรมาให้ทำถึงที่บ้านแล้วก็ขยันขยอหรือแกมบังคับนะคะให้ทำดีท็อกซ์ด้วยน้ำปัสสาวะตัวเองก็เป็นวิธีหมอเขียวอีกแต่อันนี้เนี่ยเป็นอะไรที่คนรอบข้างเนี่ยเริ่มทาแล้วนะแป๋วพี่อุ้ยอุ้มเนี่ยเขาทามานาน เล็กเขาก็เริ่มทําบอกทําดีท็อกซ์แต่เราก็อืมไม่อยากทํารู้สึกมันแปลกแปกมันไม่มั่นใจหรือแม้กรทั่งหลวงพ่อดีเรกเนี่ยเจอหน้ากีกครั้งก็ต้องถามว่าทําดีท็อกซ์หรือยังก็ยังรู้สึกว่า not, ไม่ไม่อยากทําแต่เนื่องจากคุณแม่สมพรเล่าประสบการณ์ให้ฟังต่างๆนานาแล้วก็บังคับบอกว่าคืนนี้เจ้าจะต้องทําก่อนนอนโดยใช้นะ้ํำผสมวัดตัวเอง แล้วก็ทําอย่างนี้เช้าเย็นเช้าเย็นเช้าเย็นตอนเช้าให้ใส่น้ํากาแฟหรือจะผสมน้ําปัสสาวะตัวเองก็ได้แล้วเจ้าจะต้องดื่มน้ําปัสสาวะตัวเองด้วยว เ, เราบอเอาละสิเลี้ยงมาแต่ในเมื่อเราจะอยากหายเราก็ต้องทําพอทําแล้วก็รู้สึกดีเพราะช่วงนั้นเนี่ยเราทานอาหารสูตรหมอเขียวไม่ทานไม่ทานเนื้อสัตว์เลยทานแต่ผักผลไม้น้ําผลไม้เนี่ยน้ำปัสสาวะมันออกมารสชาติหอมหวานมากกลิ่นเป็นผัก จริงจนี่ไม่ได้โกหกเพราะว่าคุณแม่ได้พิสูจน์แล้วน้องเล็กก็ได้พิสูจน์แล้วก็คือพอเราพูดขึ้นมาเขาก็บอกเฮ้ยจริงเหรออ่ะไม่เชื่อลองลองลองดมดูกลิ่นมันหอมมากก็ก็ทำด้วยน้ําปัสสาวะล้างออกมาเนี่ยมันรู้สึกมันร่างกายมันค่อยคอยค่อยคฟืค้นตัวค่อยๆสดชื่อแล้วก็วันที่ไปส่องกล้องเนี่ยคุณหมอส่องแล้วไม่เจอไม่เจอก้อนเนื้อมันหายไปแล้วก็ถามหมอเขาบอกมันโตเกือบปิด ลำไส้เนี่ยมันหายไปหรอผมไม่เห็นร่องรอยมันหายไปละแล้วก็ที่ผมเห็นเนี่ยเป็นแค่ติ่งเนื้อตรงจุดอื่นผมตัดไปและเดี๋ยวไปพิสูจน์ไปพิสูจน์แล้วก็ไม่เป็นอะไรแต่หมอผ่าตัดยังไม่เชื่อหมอแพรมีด็อกเตอร์เขายังไม่เชื่อเขาก็บอกโอ้ยฉันไม่ไม่มั่นใจเลยอะ ฉันขอส่งยูไปทําแคทสแกนอีกบอกโอ้ยไม่ทําแล้วส่องกล้องมันเห็นชัดมากกว่าแคทสแกนอีกจะให้ฉันไปทําอีกทําไมบอกฉันไม่เชื่อเลยว่าก้อนเนื้อมันจะหายเพราะดูแผ่นฟิล์มแล้วไงมันก็ใช่บอกก็นี่มันไม่ใช่แล้วอ่ะนี่สองอาทิตย์ก่อนหมอผ่าตัดยังโทรมาให้นัดไปผ่าอีกก็เลยโทรกลับไปที่ออฟฟิศหมอบอกเออยูช่วยไปดูประวัติฉันที่โรงพยาบาลด้วยนะมันไม่ต้องผ่าแล้วเราก็ไม่ต้องโทรมานัดแล้วนะหมดแล้วเพราะฉะนั้นนี่ก็รู้สึกว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็น เป็นทั้งบุญด้วยนะคะที่ทำมาแล้วก็ทำให้มันเกิดสิ่งมหัศจรรย์ตั้งแต่เจอคุณหมอวันชยัยเพราะว่าถ้าถ้าไม่ใช่คุณหมอวันชัยวันนั้นมาเนี่ยเป็นหมอฝรั่งอะ่ะเขาคงตัดเราไปแล้วอะ่ะเพราะว่าขนาดเขาส่งไป second opinion เนี่ยหาหมอด้านท้องอีกคนหนึ่งซึ่งเป็นฝรั่งอายุรุ่นราวคราวเดียวกับคุณหมอวันชัยเนี่ยยังไม่กล้าบอกหรือว่าเป็นอะไรดูแผ่นฟิล์มแล้วก็ทาหน้าเศร้า ฉันบอกไม่ได้บอกว่าห้าสิบห้าสิบก้อนเนื้ออย่างนี้ดูแล้วอาจจะใช่หรืออาจจะไม่ใช่สิ่งเดียวที่อยู่ต้องทำได้คือส่องกล้องเพราะฉะนั้นนี่คุณหมอวันชัยคนไทยนี่สุดยอดแลวท่านธรรมะสูงมากตรวจเสร็จท่านก็ให้ธรรมะเป็นภาษาบาลียาบอกไม่เข้าใจ <laughs> านะับแต่ยต้องแปลให้ฟังกลับไปหาอีกคุณหมอก็ พูดภาษาบาลีให้ฟังอีกยาวบอกไม่เข้าใจอะ่ะคุณหมอก็ต้องอธิบายให้ฟังท่านแบบธรรมะสูงมากแล้วคุยด้วยใจเย็นเหมือนกับเหมือนกับมีพระนี่ค่ะมาตรวจเราคะะ่ะคือแบบว่าไม่ไม่เคยเจอหมออย่างเงี้ยค่ะพอก็อันนี้ก็เป็นประสบการณ์ตรงแล้วกอ็อยากจะแชร์ให้ฟังว่าบางครั้งมันก็อาจจะเป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้น แต่เหนือสิ่งอื่นใดคือสติมันสำคัญแล้วมันไม่ใช่ไม่ใช่ช่วยเฉพาะในยามที่เราเจ็บป่วยแต่มันอาจจะช่วยเราในเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นกระทันหันโดยที่เราไม่ได้ตั้งรับหรือไม่ได้คิดมันจะหยุดหยุดให้มันจะเป็นอัตโมติที่ว่าความคิดของเรามันจะอึ๊บแล้วก็คิด มันจะเป็นเป็นของมันฉากฉา ก, ฉากไปเลยมันอันนี้ทุกคนทําได้มันไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องว่าใครเก่งกว่าใครเก่งน้อยกว่ามันมันอยู่ที่การปฏิบัติอยู่ที่อาการที่เราสังเกตพอเรายิ่งทําอย่างที่ที่เข้าใจนี่คือบอกว่าเวลาเราเงียบเราทําสมาธิแล้วเนี่ยพอความเงียบความสมาธิมันเห็นตัวเราเองมากขึ้นมันก็จะเห็นชัดขึ้นเห็นตัวเองมากขึ้นเห็น อาการที่เรายกมือมากขึ้นเห็นการเปลี่ยนแปลงของจิตใจเห็นความคิดของเรามากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยบางการที่เราอยู่เงียบสงัดสำหรับมลแล้วมลว่ามันก็มีส่วนดีเยอะที่จะช่วยในขั้นต้นที่เรายังไม่เข้มแข็งเนี่ยเราควรจะเก็บอารมณ์ตัวเองอย่างน้อยเวละชั่วโมงสองชั่วโมงอย่างที่อุ้งเขาทําไม่ว่าเวลาไหนจะสิบห้านาทียี่สิบนาทีถ้ามีเวลาน้อยอย่างคุณแม่สมพรบอกก็ยกมือให้มันแน่นๆให้มันชัดๆ ถ้าเรายกอย่างนี้มันก็ไม่ค่อยชัดเดี๋ยวมันก็หลับฉะนั้นต้องทําอะไรทําให้มันจริงจังให้มันชัดๆเพราะเราไม่รู้อะไรมันจะเกิดขึ้นแล้วมันมันช่วยได้จริงๆนะคะก็ขอฝากทุกคนแล้วก็อนุโมทนาทุกคนนะคะที่มีความตั้งใจมาในวันนี้แล้วก็หวังว่าแรงบันดาลใจจากเราทั้ง3าคนเนี่ยจะช่วยให้ทุกคนเนี่ยตั้งใจปฏิบัติแล้วก็มาทําร่วมกันอีกนะคะนึกวลืมเค